แต่จริงเรื่องของ อ, อะไรนะทางที่มันมันเห็นง่ายรู้ไม่ใช่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกก็าบางทีมันเห็นยากนะแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกถ้าพูดถึงว่าที่เขาบอกว่ า, าให้ดูจิตดูใจเนี่ยนะแต่จริงตรงเนี้ยมันเป็นทางที่ที่รัดสั้นที่สุดแล้วถ้าใครหมายถึงว่าดูเป็นนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมลงไปไปสู่ที่ใจทั้งหมดเลยความสุขความทุก กิเลสตัณหาทุกอย่างมันจะรวมลงอยู่ที่ใจแต่ทีนี้ว่าถ้าใจที่มีสติเนี่ยก็ย่อมรู้เห็นปรากฏการนะคือย่อมรู้เห็นอารมณ์หรือสิ่งที่กําลังปรากฏในใจในขณะนั้นๆแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องทําอะไรจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันก็เกิดเองนะแล้วเวลามันดับมันก็ดับของมันเองแต่ใจเนี่ยก็เป็นแค่แค่รู้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับอ ใจตรงนี้คําว่าใจเนอะเออเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนี่ยมันก็มีการพูดถึงใจเนาะของโยมหน่อยนก็พูดถึงใจว่าใจเป็นอายตนะก็ถูกแล้วใจเป็นอายตนะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงแต่เนี่ยมันคามันมาซ้ํากันหลวงพ่อกขาเคยใช้คําว่าใจแท้ใจแท้นี่หมายความว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอายตนะภายในแต่เป็นใจซึ่งเป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏ ปฏิกิริยาคือไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ชื่อมันดังเอินไปซ้ำกันเขาก็เรียกว่าใจเหมือนกันก็เลยตรงนี้หลวงพ่อก็เลยเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างใจที่เป็นอายตนะกับใจแท้ก็เลยเพิ่มเพิ่มคำว่าแท้ลงไปนะเพื่อให้เห็นความแตกต่างเมื่อเช้าเนี้ยที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมตอนเช้าตีสี่คึนะ่เนาะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันพูดถึงเรื่องใจแท้เพื่อ ให้มันชัดเจนเพราะว่าเวลาเราฟังครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องใจนะะว่าจะทุกข์จะสุขมันก็อยู่ที่ใจนะนระกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจอะไรก็อยู่ที่ใจทั้งหมดแต่ใจคําว่าใจตรงนี้บางคนเราก็ถ้าไม่ได้รับการขยายความเราก็แปลความไม่ถูกว่าใจที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะแต่หลวงปู่เทศ ถ้าลองฟังเนี่ยท่านก็แยกแยะได้ดีนะท่านพูดถึงเรื่องจิตกับเรื่องใจจิตก็หมายถึงว่าจิตคิดจิตนึกจิตมีอารมณ์อันนั้นท่านตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องว่าจิตแต่ใจเนี่ยใจคือสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏคือเป็นใจที่ได้แต่รู้หมายความว่าใจเนี่ยจะไม่คิดใจจะไม่ไม่นึกใจจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆนอกจากได้แต่รู้เท่านั้นเอง รู้อันนี้เป็นรู้อย่างพุท ธ, ธะรู้ที่รู้ด้วยความส ง, งบคือรู้แล้วไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่เป็นอะไรใจนี่จึงเป็นก็ว่าเป็นภาวะที่ไม่เป็นอะไรท่านก็แยกแยกแยะได้ดีนะทีนี้เวลาเราสื่อสารธรรมะเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจตรงเนี้ยว่าเออเวลาเราคุยเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะต้องเข้าใจในคำสมมุติกันด้วยถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจในคำสมมุติเนาะผู้พูด ใช้คำสมมุติว่าอย่างนี้หมายถึงสิ่งนี้แต่ผู้ฟังก็อาจจะไปฟังว่าไ อ, อ้คำคำนี้มันหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งไอ้ตรงนี้มันก็เลยสื่อสารไม่ตรงกันซึ่งเป็นเป็นปัญหามากในระหว่างการสนทนาธรรมอย่างเช่นถ้ากลุ่มเดียวกันเนาะเวลาคือกลุ่มเดียวกันคุ้นเคยกันดีเข้าใจภาษามันก็จะฟังง่ายแต่พอลองไปไปฟังอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็พูดอีกคำหนึ่งก็กว่าจะปรับตัวได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ ตรงนี้ก็ให้ให้โยมใช้ดุลพินิษในการฟังเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันเหมือนกับว่าวทำไมวงนี้พูดอย่างนี้วงนู้นพูดอย่างนู้นจริงๆมันอาจจะเรื่องเดียวกันก็ได้แต่ว่าคําที่เราสมมุติเนี่ยมันมันอาจจะไม่ตรงกันนะค่อยๆพิจารณาดูทีนี้แม้กระทั่งว่าอย่าว่าแต่เราพูดกันเนาะบางทีในพระสูตร ต, ต่างๆเนี่ยที่เขียนขึ้นเนี่ยบางที ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทาไมสอนขัดแย้งกันเองนะเช่นบางบางตอนบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนาะตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยคำพูดตรงเนี้มันกับมีตัวตนแต่พอพูดอีกตอนหนึ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตนเห็นไหมเหมือนกับว่าทำไมท่านพูดขัดแย้งกันแต่จริงไงมันมันไม่ขัดแย้งหรอกแต่ว่าท่านกําลังพูดสมมุติคือกําลังใช้สมมุติ ในต่างเวลาต่างสถานที่อะไรพวกนี้ เ, เพื่อให้ให้มันเาขาเรียกว่าวพอที่จะเข้าใจได้อะไรประมาณนี้เนาอะอ่ะทีนี้กลับมากลับมามุดเข้ากระดองก่อนเพื่อให้เป็นวิหารธรรมหยุดหยุดอะไรนะหยุดที่จะไปทําความเข้าใจอะไรจนจนมากมายกลับมาก่อนกลับมาอยู่กลับบ้านก่อน ตรงนี้จริงๆมันก็เป็นวิหารธรรมนะมันก็ช่วยให้การดําเนินชีวิตเนี่ยมันกับว่าเออให้มันมีรสชาตินะรสชาติแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ยึดถือไม่ได้ยึดถือในวิหารธรรมนะไม่ได้ยึดถือความสุขความสมบายหรืออะไรต่างๆเพียงแต่ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นวิหารธรรมมันเป็นความสบายเป็นความอะไรเนี้ยก็แค่รู้ นะอยู่ด้วยการแค่รู้แต่ก็ไม่ยึดติดยึดถือสิ่งใดนะเพราะว่าถ้ายึดไปมันก็เป็นทุกขนะ์ก็แค่รับรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนะเี้ยอาจตอาเสริมอาจารย์นิดหนึ่งนะครับคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยมากๆตรงที่อาจารย์พูดคื อ, อคำว่าจิตหนึ่ง จิตหนึ่งที่ที่อาจารย์ใช้คำศัพท์นี้ครูบาอาจารย์หลายท่านใช้คำคาศัพท์นี้แทนจิต ท, ที่เป็นพุท ธ, ธะจิตหนึ่งก็ถือโอกาส เ, าเสริมตรงนี้เท่า น, นี้นะครับสาธุค่ะคุณชไมหลังจากฟังแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ หรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มขึ้นไหมค ะ, อ, ะอยากฟังของโยมโดนใจมั่งชื่อก็โดนใจดีนี่แสดงว่าไปไปแบบปิ้งอะไรมาโดนใจแล้วก็เลยตั้งชื่อตรงนี้เพื่อแบบอืมอรเงี้ยเอาทักทายคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณ โ, โดนค่ะค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือ ฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วเนี่ยบางทีมันมีคำถามก็จริงแต่ว่ า, าโดยคำถามเนี่ยมันก็สามารถจบลงด้วยการที่เราไม่ต้องถามคือคือคือบางครั้งเนี่ยการเกิดคำถามเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เราเข้าไป ยุกับสิ่งที่เรากําลังได้ยินอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะฟังแล้วก็ดูสิ่งที่ทําความเข้าใจกับสิ่งที่ที่เราได้ยินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทราบว่าอย่างเงี้ยเออก็น่าที่จะผ่านไปผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะอืมสาธุค่ะเป็นอดนสาธุสาธุเพราะว่าโยมก็มีความเข้าใจ เพราะการที่ฟังนะฟังด้วยสติมันก็ย่อมมีสมาธนะิเมื่อมีสมาธิในการฟังเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นละจิตมันจะไม่วอกแวกจะไม่อะไรเนาะมันเป็นความสงบสงบแต่สงบแบบรับรู้ไม่ได้สงบแบบไม่รู้ไม่ชี้พอสงบอย่างรับรู้เนี่ยการรับรู้นี่แหละมันจะทำให้เกิดการเห็นแจ้งเห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ พอเห็นแจ้งมันก็จะเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่กำลังปรากฏว่าอ๋อสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยปรากฏให้รับทราบแล้วมันก็ผ่านไปรับทราบแล้วก็ขานผ่านไปเมื่อทำให้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยความรู้แจ้งก็จะรู้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้ยิ่งขึ้นไปอีกรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจนเหมือนกับว่าก็ไม่รู้จะถามอะไรเพราะรู้อยู่เห็นอยู่นะรู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็มีปัญญาเข้าใจในสัจธรรมของความปรุงแต่ง ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับการเกิดการดับก็ไม่มีผู้กระทำนะเป็นแค่เป็นแค่มันเกิดตามตามเหตุตามปัจจัยก็ได้แต่เห็นความเกิดความดับทีนี้เมื่อมีมาถึงขั้นนี้แล้วเนา ะ, ะมีถึงขั้นนี้แล้วขั้นที่ว่าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาแล้วเนี่ยแต่นี้สิ่งที่ต้องรู้ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือว่า ถ้านะถ้ารู้ไม่เท่าทันหมายถึงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยถ้ารู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็จะมีการหลงไปยึดถือว่าเราเนี่ยเรามีปัญญาเรารู้แจ้งเรารู้แล้วเ ร, ร เ, รร เ, รรเรารู้เราเรารู้เราเราเราเข้าใจตรงนี้แหละมันก็เป็นอวิชชาอีกตัวหนึ่งถ้าไม่มีคนบอกมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นคือโอ้เราเนี่ย เรารู้มากเลยธรรมะแต่เราพูดไม่ได้เราก็ไม่อยากจะพูดกับใครเพราะว่ารู้ว่าการพูดธรรมะเนี่ยมันยากมากยากยากยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะไม่พูดกับใครเราเราเาเอาแต่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้คนเดียวพอตรงเนี้ยมันก็เป็นเอาวิชาคือมีตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งเพราะนั้นตรงนี้ต้องต้องเห็นด้วยเนาะเห็นด้วยเห็นความเป็นตัวตนเห็นความยึดถืออ่าถ้าเห็นตรงนี้เท่ากับว่าปลดล็อกอีกแล้วว่า โอ้ปลดได้อีกหนึ่งล็อกโล่งไปทีหนึ่งนี่ถ้าไม่มีคนบอกเราก็ยังหลงผิดอยู่โอ้ตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราหลุดแล้วเราไม่เราไม่มีอวิชชาเอา้ามันก็มีเราอีกตัวหนึ่งเราคือเราไม่มีอวิชชาแล้วเพราะนั้นความเกิดขึ้นของความแห่งการเป็นตั ว, น ต, วตนเนี่ยตัวกูนี่นะมันจะเกิดเป็นเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะแต่จริงๆอะมันเกิดทียิบ แต่ว่าไอั น, นี้หลวงพ่อก็พูดเพียงแต่ว่าชี้บอกเฉยๆไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็สร้างตัวตนสร้างตัวเราที่จะให้ไปคอยดูตัวเราอีกตัวหนึ่งก็ไปกันใหญ่เลยเพียงแต่แค่ฟังไว้แล้วก็ผ่านไปฟังไว้ก็ผ่านไปเอออย่างนี้แหล ะ, ะก็ก็มีหลายคราวเนาะที่เห็นเคยเห็นตัวเองด้วยแล้วก็เคยเห็นญาติโยมว่าความรู้สึกว่าพอ พอมีการรู้จักความเป็นตัวตนแล้วนี่เนะแล้วก็กลัวมากเลยกลัวว่าตัวตนจะเกิดพอตัวตนจะเกิดก็เลยเหมือนกับว่าต้องต้องต้องดูแลตัวตนอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้ตัวตนเกิดอ่ะนะหลวงพ่อก็นึกเหมือนเราสมัยก่อนเลยนะกลัวกลัวกลัวจะมีตัวตนไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าแสดงออกเนาะเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็มีตัวตนเดี๋ยวก็มีตัวตน <Jub> แต่พอมาตอนหลังเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตัวตัวหลังไอ้ตัวตนตัวหลังนั่นแหละไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวที่คอยรักษาตัวตนตัวแรกอ่ะก็เลยเออแล้วก็พอเข้าใจอย่างเนี้ยก็เข้าใจแล้วก็คือว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นสังขารหมดเพียงแต่ว hmm, mm ่า hmm. ม oh ีป mm ัญญาที่จะรู้จักมันแล้วนะแล้วก็เอาสังขารเนี่ยมาใช้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมาพูดมาคุยมาทําการงานมามาใช้สมมุตินั่นแหละก็คือเนี่ยมาพูดมีเรามีเขามีสวยมีงามมีดีมีชั่วก็ว่ากันไปนะ แต่ลึกๆมันเป็นปัญญาที่สามารถที่จะข้ามพ้นสิ่งพวกนี้ไปได้แล้วเหมือนกับที่เขาพูดนะนะอะไนะสูงสุดสู่สามัญนั่นนะก็เป็นเนี่ยเป็นหลวงพ่อหลวงตาแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยวันๆก็เดินไปเดินมาไปบินระบาทชันเข่าทำนทกิจต้องสงเนี่ยก็เป็นธรรมชาติปกติค่ะเพราะเราไม่ได้มองเห็นแค่เพียงเรานะคะเราก็ ธรรมชาติก็รับรู้การมองเห็นไปกับเราด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีใครค่ะโดดเหยท่ามกลางฝูงชนหรือว่าไม่มีใครที่ถูกธรรมชาติทอดทิ้งค่ะหากว่าคนคนนั้นนมองเห็นในสิ่งที่ธรรมชาติมองเห็นเราก็จะมองเห็นเหมือนกันค่ะนะเช่นเดียวกันอ่าโยมโฟวันนี้โยมโฟมีอะไรพูดคุยไหม นักการหลวงพ่อครัสวัสดีครับคุณหน่ย น, นุ่ยครัสวัสดีครับรองนักขุนยนขุนเดียนทุกท่านครับสวัสดีครับอืมต้องพอดีเข้ามาเล็ดเลมเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ท็อปิกเรื่องอะไรก็เลยยังไม่แน่อ๋อก็อาจจะต่อเ น, นื่องค่ะค่ะคือธรรมชาติที่ปรากฏและไม่ปรากฏค่ะค่ะหรือว่า ออพอ ด, ดีหนูเปลี่ยนโปรไฟล์เมื่อสักครู่นี้ค่ะหนูเปลี่ยนว่าโลกแค่ดําเนินไปและไม่ได้ลวงใครเราปรุงแต่งโลกขึ้นมาลวงตัวเองต่างหากคุณโฟคิดว่ายังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องขอใช้ลอจิกคิดแป๊บดเดียวจะนไงอ๋อเลือกใช่หมๆๆครับอ <ๆๆ S 1> ีเฟสก่อโลกแค่ดําเนินไปเราและไม่ได้ลวงใครเราปรุงแต่งโลกขึ้นมาลวงตัวเอง อืมก็น่าจะเป็นธรรมชาติที่มันในความคิดผมนะครับอันนี้ออกความเห็นก็คือธรรมชาติที่มันดำเนินไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ในธรรมชาติลมจะพัดฝนจะตกมันก็จะตกอยู่แล้วทีนี้เราก็จะไปห้ามมันเนี่ยพวกนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ ในความหมายที่อยากจะให้ยกเหตุผลก็คือเราก็คงไปยึดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราเช่นเราอยากจะไม่ให้ฝนมันตกเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้หรือลมที่มันมากระทบเราบอกว่ามันร้อนแต่บางคนบอกว่าเย็นบางคนอยู่ท่ามกลางหิมะได้บางคนอยู่ไม่ได้บางคนอยู่เมืองไทยได้บางคนต้องอยู่เมืองนอกได้ทีนี้ในสภาพ ต่างๆมันก็เป็นของมันมีแต่ตัวเราที่เราเอาไปเอผูกยึดกับมันว่ามันต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นโดยที่เอาอัตราตัวตนของเราเข้าไปเป็นบรรทัดฐานว่ามันจะอ่ะอย่างเช่นมันร้อนมันหนาวมันเย็นหรือว่ามันเป็นอะไรตามตามที่เราต้องการแล้วมันไม่ได้เป็นตรงนั้นเราก็ให้เราก็สมมติมันออกมาขึ้นมาว่า มันไม่ได้เป็นเป็นเหตุตามที่เราคิดนะฉะนั้นก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ควรจะรู้ว่ามันก็แค่นั้นมันก็แค่เป็นเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเราก็อย่าไปยึดคำว่ายึดหมายถึงว่าเออมันไม่ใช่ปล่อยวางละเลยก็คือก็ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเองอะไรเงนี้ครับ ไม่ได้เอามาเป็นปัจจัยที่จะมาทำให้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะคะครับครับประมาณถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะ ค, ะคล้ายๆเมื่อกี้พอคุณโฟพูดถึงเรื่องฝนเลยนึกถึงออเลยทำให้หนูห น, นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมีหน้าละคะ เ, เคยเห็นตอนสมัยก่อนนะคะภาคอีสานเนี่ยเวลาฝนไม่ตกเนี่ยค่ะก็ จะได้มีการทำพิธีแห่นางแมวอะไรเงี้ยนะคะให้ฝนตกอะไรเงะะ <c oughs> <c oughs> ี้ยค่ะก็ก็เป็นการสืบทอดประเพณีกันมานะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปันดาค่ะคุณแอร์ด้วยนะคะอ่โยมปันดาเมื่อวานได้คุยกันบางส่วนแล้วมีอะไรยังไงมามัาง่งหลังจากที่ได้ฟุยเออได้คุยกันแล้วเนี่ย ไปยังไงมามั่งอ่าเชิญเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณป a n d าค่ะนัรนสการเจ้าค่ะ <c oughs> มกิสเมื่อสักครู่หลวงพ่อว่าอะไรอะคะเพราะใส่หูฟังไม่ทนันอ๋อบอกเมื่อวานเราก็ได้คุยกันเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้ให้ข้อคิดได้ให้อะไรไปบ้างแล้วเนี่ยแล้วมีการไป ไปพินาทบทวนอะไรไหมหรือว่าก็แค่ฟังแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยติดตามติดตามหลวงพ่อติดตามงานทําค่ะทำแต่ว่าตอนหลังสงสัยยากแก้ปวดมันออกลิศอะค่ะมันก็เลยหายแต่คือตอนมันปวดนี่มันไม่ไหวจะรู้จริงๆริอะค่ะหลวงพ่อหนูยังไปไม่ถึงแต่มีอันนึงที่หนูสงสัย ไอ้คาว่าตัวรู้เนี่ยค่ะตกลงมันเขาเรียกไง ร, รู้แล้วดับไปคือเกิดดับเกิดดับเหมือนจิตไหมคะหรือว่ามันก็รู้แบบต่อเนื่องเป็นจะใช้คําไม่ถูกมันอคือพวกนี้นะถ้าถ้าถ้าคิดถ้าคิดที่จะให้รู้อ่นะมันก็เป็นเป็นความคิดเนาะแต่ถ้าถ้าสัมผัสรู้นะสัมผัสรู้แล้วก็ คือมันรู้เลยเนี่ยจะเข้าใจเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะทําแบบนี้นะว่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่องรู้เนี่ยจริงๆเรื่องรู้เนี่ยมันมีหลายระดับนะนะขอขอพูดนิดหนึ่งก่อนว่าที่เรียกว่ารู้เนี่ยมันมีหลายระดับเช่นไปจําอะไรได้มาเนาะไปจำมาอะไรมาเช่นสมมติว่าเกลือเนาะเกลือเนี่ยเกลือเนี่ยถ้าทุกคนได้ชิมเกลือเนี่ยก็จะรู้นะหมายถึงว่าขณะปัจจุบันตรงนั้นแหละก็จะรู้ว่าที่เขาเรียกว่าเค็มนะเนาะอันนี้เขาเรียกว่ารู้จากการ การสัมผัสนะซึ่งไม่มีไม่ต้องถามใครว่ามันเค็มหรือไม่เค็มคือมันรู้เลยว่าเออมีรสชาติอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นขณะที่ผัสสะแบบนี้แล้วรู้เนี่ยอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่ารู้เหมือนกันแต่อีกแบบหนึ่งคือรู้แต่ว่ามันเป็นรู้ที่ที่ยังห่างไกลต่อความเป็นจริงมากเช่นอ่าส่วนว่ชิมเกลือเมื่อวานเนาะมันเค็มขณะที่ชิมอนะแล้วพอมีพอมาวันนี้ยมีคนถามว่าเกลือเค็มไหมนะ เราก็บอกว่าเค็มนะอันนี้ก็มันเป็นความรู้เหมือนกันแต่รู้จากความจำได้เรียกว่าสัญญาคือจำได้ว่าเกลือเค็มนะมันก็ถูกเหมือนกันรู้ถูกในระดับแต่ว่ามันเป็นแค่สัญญายังไม่ใช่ขั้นรู้แบบปัจจุบันขณะแต่นี้มันมีอีกรู้หนึ่งรู้ที่ที่มันไม่มีอ่ามันเป็นรู้ที่ที่ไม่ปรุงแต่งเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับ เอออะไรทั้งหมดเป็นรู้ที่เรียกว่าแบบนิ่งเงียบไปเลยนะไม่แสดงว่าตัวเองเป็นผู้รู้ไม่แสดงตนว่ารู้หรือว่ารู้อะไรไม่มีนะอันนั้นแหละเป็นรู้แท้รู้บริสุทธิ์รู้อย่างพุทธะทีนี้ที่โยมถามว่าไอเรื่องรู้เมื่อกี้เนี่ยนะเออให้ลองไปเทียบเคียงดูว่าว่า มันเป็นรู้แบบไหนถ้าขณะผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ารู้ปัจจุบันแต่รู้อันนี้ยังเป็นรู้ที่ยังไม่ใช่รู้แท้รู้จริงนะเพราะมันยังเกิดดับได้มันรู้เป็นครั้งเป็นครั้งนะแล้วก็รู้เสร็จแล้วก็ดับไปแล้วก็รู้ใหม่แล้วก็ดับไปอันนี้รู้เหมือนกันแต่รู้ในระดับวิญญาณขันนะวิญญาณขันเกิดจากการกระทบสัมผัสแล้วก็รู้เป็นครั้งแล้วก็ดับนะ ส่วนรู้จำโยมก็คงแยกเป็นแล้วว่าอะไรรู้จำอะไรคือเป็นยังไงอย่างสมมุติเนี่ยเราเรียนหนังสือนะเราอ่านหนังสือมาเยอะเลยตำรายเยอะๆหรือว่าเรียนธรรมะเยอะแยๆไปหมดเลยพระไตรปิฎกเขียนว่ายังไงจําได้หมดอ่ะอันนี้มันก็เป็นแค่สัญญาเป็นความรู้ระดับจําก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะพ้นทุกขหรือดับทุกได้เพราะว่าใครก็เรียนกันได้แล้วก็จํากันได้เนาะแต่สุดท้ายมัน มันดับทุกไม่ได้เพราะว่ามันมยังไม่ขั้นยังไม่ถึงขั้นที่รู้ด้วยการผัสสะที่เป็นปัจจุบันอส่วนรู้ไอรู้จริงรู้แท้ตรงนั้นไอตรงนั้นอาจจะยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเคยฟังเอาไว้เดี๋ยวมันก็อาจจะเข้าใจเองเออทีนี้ที่หลวงพ่อตอบแบบเนี้ยพอพเข้าใจแล้วย่างเรื่องรู้พอพอเข้าใจค่ะแล้วก็ทําได้แบบรับรับค่ะหลวงพ่อแล้วแบบหนูว่าหนูเป็นแบบนิสัยดั้งเดิมแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะปรุงสต่งเยอะมากคะ่ะอย่างบางครั้งเนี่ยหนูทำได้นะคะอย่างเชื่อคือแบบก็รู้แบบรู้เฉยๆอะคะ่ะพอนั้นเดี๋ยวมันมาละอุย้ยนี่ไงนี่ไงรู้ <c oughs> มันแบบกลายเป็นอะไรอีกตัวนึงไปจับความรู้สึกที่เรารู้อะคะ่ะใช่จริงนะที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนอะรู้เนี่ยรู้ขณะดผัสสะรู้ด้วยวิญญาณมันก็เกิดดับเนาะ แล้วก็วิญญาณถ้ามันเกิดดับมันเป็นตัวตนไหมโ ย, ยมกิับก็ไม่เป็นไม่เห็เอวอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รู้มาทั้งหมดเนี่ยตกลงโยมรู้หรือหรือใครรู้หรือเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นปัญญายโอมคือคือโอเคเราพูดเราพูดแบบนี้ก็คือสื่อสารเป็นปกติแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าจะชี้บอกในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยแง่ในความที่เข้าใจถูกต้องว่าเออแท้จริงเนาะ หูตาจมูกลิ้นกายใจยังไม่เป็นเราเลยรูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่เป็นเราแล้วการรับรู้ขณะผัสสะเนี่ยก็ยังไม่ใช่เราเลยอ่าเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปัญญาในภาพเหมือนกับว่าทําให้เข้าใจในภาพรวมว่าเออมันก็เป็นแค่นั่นแหละเป็นแค่อย่างนั้นแหละเป็นแค่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้เป็นเราตรงไหนเลยอ่าทีนี้ถ้าถ้ามันมีเขาเรียกว่าสติปัญญาเนี่ยมัน มันมีอยู่ประจําตัวประจําจิตเนี่ยประจําใจอย่างเงี้ยมันก็จะรู้เท่าทันเร็วว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอืมมันก็จะทําให้พ้นทุกข์ได้เนาะแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรเรื่องเนี้ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ก็ละเลยพอละเลยเสร็จปัญญามันก็ไม่เกิดที่มันลืมหมดแล้วอืมพอลืมหมดเท่ากับว่าก็ก็ยังเข้าร่องเดิมของมันก็คือยังยังหลงผิดอยู่ พราะนั้นเกิดมาชาติเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าให้ทันเวลาใช้งานก่อนที่มันจะขันห้าจะแตกไปแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่าเพิ่มเติมเนาะคนที่มีความป่วยเนี่ยจริงๆอ่ะมีประโยชน์มากนะสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเขาจะรู้ทุกหมายความว่าจะทําให้รู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดมามันจะต้องประสบกับความ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยความป่วยเนี่ยความปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์กำลังแสดงสัจจะให้เห็นเลยว่าทุกข์คืออย่างนี้ทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่เจอทุกข์แบบนี้นะเจอแต่ความสบายนะมันประโยชน์น้อยเพราะว่าทําให้ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเกิดเหมือนว่าอยากจะเกิดอีกเกิดมาชีวิตนี้สบายจังเลยอยากเกิดอีกแล้วก็อธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้เกิดอีกให้เราไม่รวย รู้ไหมว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้าไปอืแต่ถ้าเราเจอทุกข์น้อกว่าทุกข์คืออย่างนี้ทุกข์คืออย่างนี้โอ้เกิดมานี่มันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินนะมันก็จะเกิดการเบื่อหน่ายคือคือไม่เอาแล้วจิตเนี่ยมันจะถอดถอนคือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็คือหมายความว่าไม่เกิดอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เกิดนะเพราะเรามันไม่มีมาตั้งแต่แรกแต่มันเกิดการเบื่อหน่ายเอมันไม่เอาไม่เอาคือไม่ไม่ปรารถนาที่จะเกิดอะไรเงี้ย เพราะนั้นที่ที่ป่วยนี่นะอาศัยความป่วยนี่แหละให้มันเป็นประโยชน์ในทางปัญญาว่าทุกข์คืออย่างนี้ทุกข์เกิดเองดับเองเป็นเองในในทุกข์ไม่มีเรามีแต่ทุกข์เท่านั้นในทุกข์ไม่มีเรานะเอเราไม่มีในทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นอ่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแล้วก็ทุกข์เกิดแล้วก็เสื่อมไปดับไปนี่ต้องให้ให้เป็นปัญญาเลยก็คื ว่าเข้าใจนะคะแต่ว่าเข้าใจแล้วก็รู้มาทำยอกมากดีแต่จะพยายามค่ะก็ปึกรู้ไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่ต้องใส่มากแต่มันคนเป็นคนที่สมองเหมือนนิ่งเหมือนลิงเหมือนลิงเกาะรูดเกาะมี่คิดคิดได้ทั้งวันนะคะเชิญนะเหลือไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวก็ต้องจะมอาจารย์ว่าถ้าฟังไม่ทันเนี่ยจะมี ให้ได้ฟังใหม่ตอนบ่สองใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะใช่ใช่จะเปิดจะเปิดให้ฟังย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะบ่ายสองถ้ า, ถาใค ร, ครใครเพิ่งเข้ามาตอนนี้ฟังไม่ทันก็ให้ลองไปเข้ามาห้องนี้อีกทีหนึ่งนะติดตามติดตามหลวงพ่อแล้วก็จะได้รับฟังว่าก่อนหน้านี้เ็าพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นในเรื่องของ ความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะเพื่อจะได้ความคลายความเคยหลงผิดคลายความเคยยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวตนนะให้มันคลายออกาการคลายออกก็คือเข้าใจถูกนี่แหละค่ะวันนี้ขออนุญาตจบเซสชั่นเพียงเท่านี้นะคะ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ